ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิจัยศรีปทุกมกำลังนำเสนออดีตประวัติของภาษาลิบุตรเถระในสมัยที่ท่านเป็นสรพังคาดาบทแล้วได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าสรงพระนามว่าอโนมัทัสีพร้อมด้วยบริวารเจ็ด0มืนสี่พันท่านพเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านและบริวารบริวารฟังแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระหันก็ได้บวชเป็นเอหิพิขุปสัมปทาทั้งหมด แต่ท่านเองเพราะมีความคิดเพลิดเพลินชื่นชมในพระนิสสภาเถิรซึ่งเป็นอักษาวกฝ่ายกว่าเลยก็ไม่ได้บรรลุในสุดก็ได้ตั้งความปรารถนาแทบว่าทมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมทัศสี ขอให้ท่านเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งแสดงว่าความเชื่อเรื่องความความรู้นะครับความรู้ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นยุคยุคไปเนี่ยมันมีอยู่ภายในใจของคนโบราณมาตั้งแต่ต้น ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาทางปัญญาของมนุษย์ว่ามีหลายยุคมาหลายสมัยมาแล้วที่มนุษย์ได้สัมผัสผลการปฏิบัติสูงสุดคือบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็อนิพพานกันไปก็เรียกว่ายุคแล้วยุคเล่าแหละ ถ้าหากว่านับพระพุทธเจ้าในพระคัมภีร์ของเราก็มี28องค์ที่ได้ผ่านการศัสรูและเผยแพ่ศาสนาแล้วก็ศาสนาได้เสื่อมไปแล้วยกเว้นพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกอราหาันทั้งหมดเสด็จกลับไปแล้ว ท่านก็ไปหาเพื่อนเพื่อนรักกันก็คือสุวัฒนะเิบดีแล้วก็เล่าวความทั้งหมดให้สิริวัฒนะคือบดีเล่าวความทั้งหมดให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและของพระอา卡สาวก แล้วก็ชวนให้สิริวัฒน์นั้นตั้งความปรารถนาจะเป็นอักสาวอกไกว้ซา้ายของพระพุทธเจ้าเพราะว่าต่านได้ตั้งความปรารถนาเป็นอักสาวกไกว้ขวามาแล้วสิริวัฒนากุมารก็มีความชื่นชมยินดี สาเสียมการให้ทานเป็นการใหญ่แล้วขอให้ท่านสรพังคะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แล้วก็มีการเลี้ยงดูพระพุทธเจ้ากับประหันสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาเจ็ดวันนี่ก็เป็นช่วงที่ท่านนำมาเล่า ว่าการกระทากรรมร่วมกันโดยเจตนาร่วมกันของสายทั้งสองนั้นได้เกิดขึ้นมาก็ต่อจากนั้นสิริวัฒนะเกลือบอดีก็บํามเป็นบุญระดับฐานศีลมาโดยลำดับจากไปแล้วก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ ส่วนท่านสารพางคาดาบทจเจรินพรหมวิหารทั้งสี่ประการตายแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกก็หลังจากได้หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัตรเป็นเวลานานมาถึงยุคพุทธกาล ก็คงจะก่อนที่พระพุทธเจ้าสัสรูสริวัฒนาเกลืบอบดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในสกุลโกลิตะครอบครัวก็ตั้งชื่อว่าโกลิตะส่วนสารพังคาดาบทในยุค โบราณโน้นนะฮะคือท่านจะมีชื่อมาแล้วสักเท่าไหร่ชื่อเราก็ไม่รู้หรอกก็ได้ม า, มาบังเกิดเป็นบุตรของนางสารีพระมณีก็ว่าพ่อครอบครัวทั้งคู่เนี่ย บิดาเป็นนายบ้านนายบ้านนี่จะใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเรียกว่าคามนิคมชนบตรราชธานีตามโครงสร้างจริงๆมันก็ขนาดกำนันแต่ว่ากำนันโบราณโลกมันกว้างนะกำนันในชมพูทวีพื้นที่ก็คงจะ ก, กว้าง พระฐานาท่านมัง่งคั่งรำรวยเหลือเกินครอบครัวทั้งสองท่านนั้นมีเงินอยู่ถึง650โกด์ซึ่งก็ยังไม่เคยพบเศรษฐีไหนที่มีเงินมากขนาดนั้นสุดมากก็40โกลด์60โกลด์80โกลด์160โกลด์แทนนี้ แต่ว่าท่านมีตั้งหกร้อยห้าสิบปุดเพราะก็รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีพี่เลี้ยงนางนมคนละหกสิบโขได้ช่วยกันประคบประ ง, งมเด็กทั้งสองที่เกิดมาแล้วก็ เขเรียกว่าอยู่ดีมีสุขมากแต่การต่อมาก็ได้ศึกษาตามสายสกุลก็คือเรื่องของพรามศึกษาพวกไตรเพศเวททางกษัตริย์ต่างๆอิติหะแต่ว่าอาศัยที่ร่ำรวยมาก เงินทองจ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะงั้นพ่อแม่ก็ไม่ให้ทำงานอะไรลูกจะทำอะไรจะเที่ยวที่ไหนจะสนุกสนานอย่างไรก็ปล่อยไปตามปกติก็จะไปดูการแสดงมารสุปปีคอแสดงบนยอดเขาที่กรุงราชครึกเวลาไปก็ไปเป็นขบวนมโหลานอีกแหละ ฝ่ายหนึ่งนั่งเสลียงไปมีห้าร้อยคู่ต่นเดงก็นั่งคู่เดียวแต่ว่ามีบริวารห้อมล้อมเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่แต่นั้นเป็นข้อที่น่าสังเกตคือในคำพีพระพุทธศาสนาจะพูดถึงพวกคสมบัติและบริวารสมบัติ คือมัง่งคั่งโดยทรัพย์สมบัติเป็นอนเอกนั้นแล้วก็มีบริวารที่รับผิดชอบในด้านต่างๆอีกเป็นนั้นมากออซึ่งพระพุทธเจ้าเราก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านพูดเฉพาะสาวสารกำนันในในพระาชวังมีถึงหกหมื่น ก็นึกไม่ออกว่ามีว่อยทำอะไรตั้งหกหมืนแต่ว่ามันเป็นค่านิยมของสังคมบริโภควัตถุนิยมสังคมบริโภคมันเป็นเครื่องวัดแข่งยุคสมัยบางครั้งก็ใช้โคเป็นเกณฑ์กำหนดหมายบางพวกก็ใช้พื้นที่ที่ครอบครอง เป็นตัวกำหนดใหม่บางคนก็ใช้ซัพ์บางคนก็ใช้บริวารบางคนก็ใช้อิสรยศดบางคนก็ใช้เกียรติยศก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามองโครงสร้างทางความคิดมันก็มนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิม อย่างสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขอยู่แล้วก็รินรดนขวนขวายเพื่อจะเพิ่มลาบยศสรรเสริญสุขเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตนแต่ว่าจบลงด้วยการเล็กกว่าโรงทั้งนั้นแหละกอตายลงไปก็ใส่ลงไปในโรงก็เหลือละไม่โรงมีที่ว่างเยอะ พอทั้งสองท่านมาดูไปดูมาดูมาดูไปเนี่ยมันก็ซ้ำซากจำเจก็สนุกในเรื่องที่เขาสนุกกันหัวเราะในเรื่องที่เขาหัวเราะกันเศร้สาสอยในเรื่องที่เขาเศร้าสอยกันเฉยๆในเรื่องที่เขาเฉยๆกันมันก็แสดงให้เห็นถึงเวทนาที่กระทบอารมณ์ เวลาเรากระทบบารมณนั้นมันก็ขึ้นกับความรู้สึกว่าพอใจก็เพราะเรารู้สึกพอใจไม่พอใจก็เพราะเราเรารู้สึกไม่พอใจเศร้สาส้อยก็เพราะเรารู้สึกเศร้าส้อยแต่มันเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกหมายความคนอื่นก็แสดงและเราก็อินกับบทที่ก็แสดงบางท่ที่เขาแสดงนะเรื่องไม่จริง แต่เราก็พอใจเพลิดเพลิอนอยู่กับการแสดงเหล่านั้นวันหนึ่งมันก็เกิดความคิดสลดใจขึ้นมาเขาเรียกว่าเพราะยานที่ศึกษาปรมมาแต่อดีตนี่แก่กล้าจึงได้เกิดความสลดใจ มาคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่มาหาความสนุกสนานกันแางนี้เพราะทั้งผู้ดูทั้งผู้แสดงคนทั้งหลายนี่ก็ค่อยๆทยอยตายกันไปไม่มีใครที่ไม่ตกอยู่ในปากของมัจจุราชแล้วก็เมื่อเลิกการแสดงก็มาคุย ว่าทำไมวันนี้ดูเพื่อนเปลี่ยนไปไม่เห็นสนุกสนานไม่เห็นบันเทิงรื่นเริองอย่างในวันก่อน ต, ต่างกาต้องก็เล่าวความคิดของกันและกันให้สามันเออเกิดความคิดตรงกันกรณีที่สุดบอกว่าเราควรจะสแสวงหาโมฆะธรรมใน สำนักขณาจารย์เจ้าลัทธิคนใดคนหนึ่งแต่การจะแสะวงหาโมกะธรรมนั้นควรจะได้การบรรพชาสักอย่างหนึ่งคือไม่รู้อยู่ที่ไหนแหละคือตอนท่านออกมาจากบ้านเนี่ยมีบริวารฝ่ายละห้าร้อย พอตัดสินใจจะบวชมันก็ต้องส่งคืนรถมากับพวกบอรหรือเสลียงไปฝ่ายละห้าร้อยก็ไม่ใช่ฝ่ายละห้าร้อยนะฮะฝ่ายละสองร้อยห้าสิบจะยังเหลือบริวารอยู่ห้าร้อยตอนแรกก็ไปบวชในสำนักของสันใจปริภาชก ก็ศึกษาไปศึกษามาปรากฏว่ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้พระวสันใจเป็นคณาจารย์เจ้าละชิที่พระเจ้าชาติรูบอกว่าที่คุยคุยกันมานี่โง่ที่สุดเลยจะตอบอะไรไม่เข้าประเด็นไม่ตรงกับเรื่องเขาถามอย่างหนึ่งก็ไปตอบอย่างหนึ่ง แล้วไม่กล้า ย, ยืนยันอะไรเลยเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆในสุดก็มาปรึกษากันว่าเราอยู่ในสานักสัญชัยนี่คงไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วพออย่างนี้ยินดีกาเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเที่ยวเสวหาไปเรื่อยต่อมาวันหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็สรุปใหม่ๆ อุปติสสะปริภาจกได้เดินไปในกรุงราชคฤห์พอดีพระอสชิเทระซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญวิคีกุลธัญญาวาป่าพัทยามานามะอาัสาชิ อ, องค์สุดท้ายท่านไปเผยแผ่พระศาสนาในส่วนต่างๆของชมพูชวีปแล้วก็กลับมา กราบทูลพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ออกบินทบาทตามธรรมดาในขณะที่ท่านเดินออกไปบินทบาทเนี่ยมันแสดงความสงบให้เห็นความสงบที่เด่นชัดก็คือความสงบในอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวเพราะว่าาจาท่านก็ไม่ได้พูดอะไร ใจเราก็ไม่รู้ใจแต่มันสะท้อนมาจากใจที่สงบเขาเรียกว่า ay, สันตกายสันตะวจุสันตามโนคือกายสงบวิจาสงบใจสงบหมายความว่ามันสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งกายทั้งวิจาทั้งใจอุปติสัมโนบเกิดความคิดว่าอาจารย์ท่านเนี่ย จะต้องเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งหรือสาวกของพระาอารหันต์รูปใดรูปนีงก็เกิดสนใจก็เดินตามหลังไปสมัยโบราณพระออกบินทบาทที่พักที่อาศัยที่อะไรต่างๆมันก็ไม่แน่นอนอะไรแล้ว เมื่อเห็นว่าได้อาหารพสมควรแล้วท่านก็ไปนั่งริบแม่น้ำก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนั่นแหละฉันอะไรก็เรียบร้อยประทักใจแต่ว่าพระเราไม่ได้มีบริขารไม่มีตังไม่มีอะไรรุงรังนะฮะวัน อุปติสะปริพาชคก็น้อมเอาตัางของท่านให้พระเทระนั่งพระเทระฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าไปแสดงความเคารพแล้วก็สอบถามว่าท่านเป็นสาวกของใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครก็พระสัชชก็เล่าให้ฟัง ว่ราะท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วในโลกอุปติสสะปริพาชคก็ขอให้แสดงทำให้ฟังระเได้เห็นว่าอุปติสสะปริพาโชคนั้นเป็นนักบูตต่างาศาสนามักจะมีความรู้สึกเป็นปฏิปักิ อพระพุทธศาสนาเพราะในตอนแรกท่านก็บอกว่าท่านเองก็บวชมายังไม่นานหรอกเพิ่งเข้าสู่ธรรมิ น, นนี้จะแสดงให้วิจิตพิสดารไปนี่ก็ยากแต่สารีบุตรก็บอกว่า พระคุณเจ้าไม่ต้องอธิบายขยายความมิจิตพิสดารหรอกข้าพเจ้าชีวสารีบุตรมีปัญญาความรอบรู้สามารถจะนับมเมล็ดขนมเมล็ดฝนที่ตกลง ม, มาจากอากาศได้เปิดประติราก็แสดงคาถาที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คืเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญญโยนิโรโทจะเอวังวาดีมาสมโนเปลว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้ค้นี้จะเห็นว่า ในอริยสัจทั้งสี่นั้นก็มีเหตุอยู่สองเหตุเหตุแห่งสังสารวัฏกับเหตุแห่งพัฒนาจิตจนหลุดพ้นจากสังสารวัฏเหตุแห่งสังสารวัฏก็คือทุกขสมมมุทยัยตราบใดที่มีสัมมุทยัยสราบนั้นก็มีทุกข์ตราบใดที่มีทุกข์ตราบนั้นก็ยังมีสมมมุทยัยเหตุคือแห่งความทุกข์ แต่อีกด้านหนึ่งนั้นเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์หรือตรงกันข้ามนิโรธเป็นผลสูงสุดที่ทำให้ผู้เข้าถึงได้บรรลุมรรคผลชั้นต่างๆจนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็โดยอาศัยการมีบัตรตนตามหลักอริยมรรคไม่งแปดประการหรือแสดงจบแล้วสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บอกว่าพระเจระก็ไม่ต้องอธิบายต่อไปแล้วท่านเข้าใจแล้วเรียนถามว่าเวลานี้ประสาทสดาของเราอยู่ที่ไหน พระชิก็บอกว่าอยู่ที่พระเวรวนในสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารที่สร้างถวายก็บอกว่าขออาจารย์กลับไปก่อนพระเจ้ามีสหายอยู่ก็ไปจะชวนสายายก็ไปด้วย เมื่อทั้งสองแยกย้ายกันไปแล้วสารีบุตรก็ไปสู่อาสมของสัญชัยปริภาชกโดยหน้าตาที่เบิกบานแจ่มใสแสดงถึงมีความสงบอยู่ข้างในโกริตาพอเห็นเพื่อนแปลไปก็รู้ทันทีว่าเวลานี้เพื่อนบรรลุมโมกธรรมแล้ว โมกธรรมนั้นเป็นชื่อแทนนิพพานนะครเป็นชื่อแทนนิโรธโบราณก่อนพุทธกาลเขาไม่ค่อยเรียกนิพพานนเรียกนิโรธแต่ว่าเรียกโมกธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำผู้บรรลุให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสุโกขิตาก็ขอให้ อุปติสสแสดงให้ฟังโกริตะก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเผื่อแสดงให้ฟังสองวทันเป็นท่องเป็นอักขยานมาเลยแต่ว่าสาริบุตรไม่ต้องท่องหรอกมันฟังทีเดียวท่านก็จำได้แล้วโกริตะก็บรรลุมรกผลเป็นพระสุรบันก็เป็นคนค่อนข้างใจร้อน อยากจะไปฝ้าพระพุทธเจ้าในทันทีทันใดเลยแต่ว่าสารีบุตรเป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องกตัญญูก็บอกเพื่อนว่าโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี่เป็นเรื่องที่ยากปรจนเวลนี้พระองค์ก็บังเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พวกเราจะไปก็ควรจะไปพบสัญชัยผู้เป็นอาจารย์ แล้วก็ชวนท่านไปด้วยก็ไปถึงก็ได้เล่าข้อความทั้งปวงให้สันจปริภาโชคได้ทราบแต่ว่าสันจัยไม่ยอมฟังจนถึงก็สารีบุตรก็ขู่เอาบอกว่าอาจารย์เวลาเนี้ยพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วในโลก คนทั้งหลายก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไ้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่โดยลำพังได้ยังไงคือสันใจมีความรู้สึกว่าถ้ากาท่านจะไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเมันก็เหมือนกับ คือแปลหลายจำนวนนะฮะจำนวนหนึ่งบอกว่าเหมือนกับจับจระเข้ใส่ไว้ในตุ่มอีกจำนวนหนึ่งบอกว่าเหมือนกับการถูกเขย่าในน้ำของน้าที่อยู่ในตุ่มพูดง่ายๆว่าถูกจํากัดแล้วก็อึดอัดไม่สามารถจะอยู่โดยส ะ, สะดวกสบาย ท่านพอใจติดใจในลาบยศสันเสริญแล้วก็บริวารมีคนเคารพนับถือมากมีคนแห่แหนกันมามากมีคนมาไหวมากราบมากท่านก็เป็นสุขจากการได้อย่างนั้นคนในที่สุดก็ไม่ยอมไปแตริบุก็อ้อนวอนต่อ บอกอาจารย์เวลาเนี้ยคนก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไรสันชัยก็บอกว่าในโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสารีบุตรก็บอกว่าคนโง่ามากคนฉลาดน้อยสันชัยบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวคนโง่โงก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่ คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาพระสมณะโคดมภูฉลาดแันก็อยู่คนฉันได้คุณโง่ซึ่งมากกว่านี่เราจะเห็นว่าอาการยึดติดในเรื่องที่ไม่ควรแก่การยึดติดไม่ได้คำลึงถึงสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตมันก็คล้ายๆกับเรา มีชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันพูะเจ้าทรงแดงแสดงศีลสมาธิปัญญาเอาไว้แตวบ้านก็ทรงแสดงทานศีลภาวนาเอาไว้คนบางคนไม่ยอมให้ทานไม่ยอมรักษาศีลเพราะกลัวเสื่อมเสียอิสรภาพกับกลัวทรัพย์สินจะสิ้นเปลือง แล้วก็ปล่อยการเวลาของชีวิตไปด้วยความประมาทตายลงอย่างคนไม่มีศีลไม่มีฐานเป็นต้นทุนก็ต้องไปบังเกิดด้วยบาปอกุศลที่ตนได้กระทำไว้คนเพิ่งหนึ่งอยู่ที่ศีลอยู่ที่ฐานไม่ยอมขยับไปไหนเอาเฉพาะสองอย่างคือทานกับศีล เขาบีโอกาสไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่คนที่เห็นว่าเอมันควรจะไปที่สมาธิบ้างเพื่อจะทำาพชาติของตัวเองให้ประนีตขึ้นแต่ไปแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกบางท่านก็เห็นว่าพรหมโลกไม่เที่ยงเป็นทุกเปนหนาา้าตา เกิดไปมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันในโอกาสต่อไปก็เลยขึ้นไปบาเพ็ญถึงปัญญาจนทำสมาธิให้สมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์สีนสมบูรณ์สมาธิสมบูทปัญญาสมบูรณ์ก็บรรลุมักผลเป็นพระอราหันต์ไปได้คือในโลกนี้มันมีทางเลือกที่ชัดเจน แต่ว่าเพราะเกียรติครานบ้างเพราะบารมีเราไม่มากพอบ้างเพราะธรรมะต่างๆเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาไม่หนักแน่นความเพียรไม่หนักแน่นสติไม่หนักแน่นปาสมาชิก็ไม่หนักแน่นปัญญาก็ไม่หนักแน่นมันก็ไปไม่ได้ก็ไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง จะโลภมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันจะเป็นเรื่องแปลกประวัติของท่องท่านเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามนุษย์เราแม้จะมีโอกาสแต่ถ้าไม่ได้ใช้โอกาสมันก็จะเสื่อมจากโอกาสเท่านั้นในที่สุด บริวารของสารีบุตรกมโมกาลานะซึ่งเหลืออยู่ห้าร้อยแล้วนะกลับบ้านไปห้าร้อยัเหลืออยู่ห้าร้อยบริวารก็ตามเจ้านายครั้งแรกมันออกมาหมดห้าร้อยสนใจช็อกกรากเป็นโลหิตเลยอยู่กันดีๆอสมว่างพรึบเดียวเลยไม่มีคน แต่ลูกศิก็เคยสงสารอาจารย์ทั้งๆที่ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรจากอาจารย์เป็น ต, ตำนองคนเข้าป่าเพื่อหาแก่นไม้แต่ไปเจอกะทออไม้เปลือกไม้ใบไม้ก็เอามาผรุงพรังเพราะยึดติดในอาจารย์ ซึ่งในกรณีนี้เราจะตัง้งจะจะเห็นว่าเราก็ใช้เมตตากรุณามุติตาไม่ได้เพราะว่าทาไปแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยมันต้องทำใจเป็นอุบเบกขาว่าอาจารย์ก็ต้องเป็นไปตามกรรมของอาจารย์คือเราจะไป บ, บังคับขืนใจอะไรท่านไม่ได้แต่ว่าลูกศิษย์เหล่านั้นก็ไม่ได้คิด ก็ได้สละการจะไปเฝ้าพระศาสดากับบุพีคนตัวเองแล้วก็ไปไปสองห้าสิบไปสองยห้าสิบยังเหลืออยู่สองห้าสิบก็แบ่งเป็นสองฝาอง้าอีกอะไรเป็นตัวแบ่ง กรรมเป็นตัวแบ่งเจตนาเป็นตัวแบ่งภูมิหลังของเขาก็คือบา ร, รมีที่แก่กล้าหรือไม่แก่กล้าบา ร, รมีที่แก่กล้าก็คิดไปอย่างหนึ่งบา ร, รมีที่ไม่แก่กล้าก็คิดไปอย่างหนึ่งโลกมันก็เป็นข้ามันอย่างนี้แหละสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครงตร ง, ค น, ตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยกพร้าวไพร ในสูดทั้งสองก็พร้อมด้วยบริวารสองห้าสิบก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันพอท่านทั้งสองกำลังเดินมาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งตอนนั้นรู้จ้าอยู่กับพระปุราณชดินนะฮะ โบราณชดินผ่านรูปเพราะว่าเพิ่งเสด็จเข้ากรุงรัชจจื่อริยาสันส้นๆคนในกรุงราชจเกรฤยยังไม่มีนักบวชออกบวชยังไม่มีคนออกบวชแต่ก็มีคนมารู้มรคผลอยู่แสนสองหมื่นท่านก็สิบสองนาขุด แต่พอพระสารวิบุตรกับพระโมคคัลลานะมาตอนนั้นก็ยังแต่งตัวเป็นเป็นปริภาชกอยู่นะเพราะยังไม่ได้บุตรพรเจ้ารับสั่งว่าคู่แห่งสาวกของเราคือสารีิบุตรรนโมคคัลลานะกำลังมาเมื่อมาถึงแล้ว ทั้งสองท่านก็กราบทูลความเป็นมาของตัวเองให้สงสาบโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือแสดงถึงความคิดท่าทีทางความคิดของสัญชัยปรีภาชกที่มีต่อการอุบัติของพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งแล้วฟังแล้วก็ ทรงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่การมองและก็คิดสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอะแก่สายตาของมนุษย์มันก็คือคือกันนั่นแหละแต่คำถามสุดท้ายมันอยู่ที่คุณคิดยังไงรับสั่งว่าคนที่มีความคิดผิด เรียกว่ามิจฉาสังกปะนี่คือคนที่มีความคิดผิดจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระพจิตก็ดำเนินไปบนวิถีแห่งมิจฉาสังกปะคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสพบสาระ แม้แต่ไปเจอบ่อทองแต่ถ้าเธอไม่รู้จักทองเธอเอาทองออกมาไม่ได้ดังนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงสันใจปบริภารจบกับบริวาร250คนรู้เข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าเป็นความถูกต้องดีงาม แต่ว่าตนไปยึดติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราจะเห็นว่าลาบก็ไม่เทีย่ยงยศก็ไม่เที่ยงสันเสริญก็ไม่เที่ยงความสุขเองก็ไม่เที่ยงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยแล้วก็จริงมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทิ้งเอาไว้ในโลกนี้เราไปไหนด้วยไม่ได้ ในขณะเดียวกันที่มรรคผลนิพพานนั้นมันพัฒนาพบชาติจนหลุดพ้นจากพบชาติหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและก็ความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงมันเป็นสาระมันเป็นแก่นแท้แต่เราอย่าลืมว่าคนประเภทนี้จะมีเยอะเลยอย่างปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเรา เราเห็นว่าส่วนหนึ่งก็คือขาดแต่ความรู้ขาดความรู้ที่จะประกอบภารกิจของตัวเองตามสถานะตามหน้าที่ติดตามว่าคนหนึ่งเธอเป็นจบความรู้ป .6 แต่นั่นเองแต่ว่ามีการศึกษาคิดคน้นดูงานต่างๆ ยอมตัวเองเข้าไปฝึกปรืองานในสถานที่ต่างๆเพื่อจะเรียนรู้เรื่องอะไรสักอย่างสองอย่างนี่ยแน่นอนถ้าเธอขยันฉลาดสามารถเธอจะเรียนวิธีทำขนมสักอย่างสองอย่างแต่รสชาติดีเหลือเกินราคาไม่แพงัวถึงกิดหนึ่งเธอก็ร่ำรวยได้ มีคนเคยเล่าประวัติของหมาปรเรียนท่านหนึ่งก็ตอนบวชเนี่ยได้ปรเรียนหาประโยคแต่ตอนที่ท่านเป็นเป็นนักบวชเนี่ยท่านชอบท่านชอบซ่อมพิมพ์ดีดเล่นพิมพ์ดีดแต่งพิมพ์ดีดถอดภุมิพิมพ์ดีดประกอบพิมพ์ดีด อัจหลอตัวอักษรพิมพ์ดีดอะไรของท่านน่ะท่านชอบถึงคนชอบงานอย่างเงี้ยพอึกาลาเพศออกไปท่านก็เริ่มต้นด้วยการรับซ่อมพิมพ์ดีดไปทำบ้านบ้านไหนต้องการจะซ่อมพิมพ์ดีท่านก็ซ่อมให้เขาให้เท่าไหร่ก็อเอากันซ่อมซอมจนชำนาญนนะ่ะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานของ เจ้าของพินดีทั้งหลายคนที่มีพินดีทั้งหลายบางบริษัทพินดีเขาเยอะเพราะเมื่อท่านซ่อมท่านทำแล้วก็ทำได้ดีด้วยงานเนี่ยมันจะโฆษณาคนเพราะคนทำงานที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ในการต่อมาเนี่ยลูกชายเขามาบวชที่วัดเนี่ย ตอนนี้เป็นกรรมินเจ้าของบริษัทและเข้าใจว่าน่าจะตายไปแล้วามันน่าจะอยู่รุดลูกแล้วพอลูกชายเข้าใจว่าอายุเขาก็ร่วมหกสิบปัจจนเนี้ยเป็นเจ้าของบริษัทพิมพ์ดีเนะี่ยแต่จะเป็นสาขาหรือเป็นอะไรก็ไม่เคยคุยอะไรกับเขาอย่างแต่เรามองเขาด้วยความชื่นชม เออจุดสตาร์ทมันก็เล็กนิดเดียวแต่มันก็ไปได้หรือว่าคนบางคนเช่นเจะาปัญญายมราชปั้นสุขคุมเป็นชาวสุพรรณก็ห น, นีพ่อมาอยู่กับพระที่วัดทางฝั่งทน จนในที่สุดก็บวชเป็นสามเณรแล้วก็เรียนเป็นมหาป ร, ริยนได้สามประโยค น, นั่นเองครับสามประโยคท่านเองแต่ว่าท่านก็พัฒนาตัวเองจากสามประโยคนั่นเองรอบรู้ในสาขาวิชาการต่างๆจนกลายเป็นเรียกว่ามือระดับนักปราชญ์แหละแล้วท่านก็เจริญก้าวหน้าไปจนถึงเป็นเจ้าพระยา แต่ตำแหน่งครั้งสุดท้ายของท่านก็คือเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นที่ไว้วางพระราชดุลยของราชการที่ห้าเป็นที่เคารพนับถือของเสนาข้าราชการทั้งหลายที่รุ่นสมัยกับท่านวันเราจะเห็นว่ า, าประเด็นว่ามองสาระหรือไม่เป็นสาระ ประเทศไทยไประนี้เราต้องการผู้ชํานาญเฉพาะทางนี่เยอะแต่เราก็หาผู้ชํานาญจริงๆไม่ค่อยได้จะ ก, การดูข่าวคราวต่างๆก็ไม่ค่อยได้อ่านมากอะไรเท่าไห ร, ร่หรอกแต่เราก็ได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเออไอ้คนที่ชํานาญเฉพาะด้านเนี้ยเช่นว่า เป็นอะไรเาเรียกโอแกนเน่โอแกนไนอะไรที่รับจัดงานด้านต่างๆจต่ตจวัดระวนลเวลาจัดงานมีนิทรรศการอะไรต่อะไรต่างๆนะคเหล่านี้ก็จะมารับเหมาไปแล้วก็จัดการดูราคาที่ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าผลงานมันประณีต เป็นที่ประทับใจเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายก็ตามหลักที่ว่ารู้อะไรให้กระจ่างไปอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นเองนี่ก็เป็นหลักที่ไม่ได้เจาะจงเรื่องมรรคผลอย่างเดียวแต่ว่าสัญชัยปริพาชกนั้นมีความชัดเจนว่าท่านมองเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ มองเห็นสิ่งที่ไม่ที่เป็นสาระว่ไม่เป็นสาระมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระก็เลยไม่ได้สาระต้องการไปตัดเอาแกนเอาแกนไม้มาแล้วกลับเอากิ่งแกกิ่งไม้มาเนี่ยคนมันเยอะคือถ้าเราเทียบเคียงในจุดนี้มันมีเยอะ อ่าในวัดที่มีคนมามาน่าเกลียดซะด้วยที่มารักขมโมยก็เคยเห็นหน้าตาแก๋หลายครั้งรูปร่างสูงใหญ่เรียกว่าหนุ่มชะกันทีเดียวเคยอยนึกสงสารแต่ไม่เคยสอบถามนะว่ารูปร่างขนาดนี้ไวขนาดนี้มีกำลังมีเรี่ยวแรงขนาดนี้ ทำไมมาลักข้ามวยกินบางทีเด็กเตรียมอาหารเพจไว้ถวายพระเนี่ยแกก็เพลือก็มาลักกินหมดเลยก็ทำอย่างเ ง, งี้ยกลางค่ำกลางคืนมีของบางอย่างอยากโยมเตรียมไว้จะถวายพระในตอนเช้าแกก็มาลักข้ามยกินอันนี้ก็ เป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่าสงสารว่ามันน่าจะหาสาระประโยชน์อะไรได้มากกว่านั้นมันก็อยู่ที่พริกจิตคือเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วก็พยายามที่จะหาหความชํานิชํานาญเฉพาะทางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มาเป็นหลักในการตัดสินวินิจฉัยสิ่งต่างๆให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ทุกคนก็มีทางให้เลือกแต่ปัญหาว่าจะเลือกอะไรเท่า น, นั้นเองอย่างสัญชัยปฏิภาชกท่านก็เลือกของท่าน ลูกศิษย์รหก็เลือกของท่านระษาริบุตรพระโมคขาลานะบริวารอีก250หก็เลือกของท่านแล้วต่างคนต่างก็ได้ผลตามที่ตนเลือกในการต่อมาต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามพรบยรณในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี